2. วิธีคิดแบบแยกยะส่วนประกอบวิธีคิดแบบแยกยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหาเป็นการคิดที่มุ่งให้มองหรือให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งในทางธรรมะท่านมักใช้พิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่มีแกนสารหรือความไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย ให้หายึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตว์บุคคลเป็นเพียงการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆที่เรียกว่าขันห้าและขันห้าแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบย่อยต่อไปอีกการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้มองเห็นความเป็นอนัตตาแต่การที่จะมองเห็นสภาวะเช่นนี้ได้ชัดเจน มักต้องอาศัยวิธีคิดแบบที่หนึ่งและหรือแบบที่สามในข้อต่อไปเข้าร่วมโดยพิจารณาไปพร้อมๆกันกล่าวคือเมื่อแยกแยะส่วนประกอบออกก็เห็นภาวะที่องค์ประกอบเหล่านั้นอาศัยกันและขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เป็นตัวของมันเองแท้จริงยิ่งกว่านั้นองค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นไปตามกฎธรรมดา คือมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนภาวะที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปและต้องขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆถูกเหตุปัจจัยทั้งหลายบีบขั้นขัดแย้งนั้นถ้าไม่มองในแง่สืบสาวเหตุปัจจัยตามวิธีที่หนึ่งซึ่งอาจจะยากสักหน่อยก็มองได้ในแง่ลักษณะทั่วไปที่เป็นธรรมดาสามัญของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งอยู่ในขอบเขตของวิธีคิดแบบที่สามวิธีคิดแบบสามั ญ, ญลักษณ์ในบาลีท่านมักล่าวถึงวิธีคิดแบบที่สองนี้รวมพร้อมไปด้วยกันกับแบบที่สามแต่ในชั้นอัธกถาซึ่งเป็นแนวของอภิธรรมสมัยหลังนิยมจัดวิธีคิดแบบที่สองนี้เป็นขั้นหนึ่งต่างหากและถือเป็นวิพัชาวิธีอย่างหนึ่ง นอกนั้นอย่างนิยมจําแนกขั้นพื้นฐานโดยถือนามรูปเป็นหลักยิ่งกว่าจะจําแนกเป็นขันห้าทันทีความจริงวิธีคิดแบบนี้มีใช่มีแต่การจําแนกแยกแยะหรือแจกแจงออกไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีการจัดหมวดหมู่หรือจัดประเภทไปด้วยพร้อมกันแต่ท่านเน้นในแง่การจําแนกแยกแยะจึงเรียกว่าวิพัฒชา ถ้าจะเรียกอย่างสมัยใหม่ก็คงว่าวิธีคิดแบบวิเคราะห์ในการบำเพ็ญวิปัสสนาตามประเพณีปฏิบัติที่บรรยายไว้ในชั้นอัธกถาเรียกการคิดพิจารณาที่แยกแยะโดยถือเอานามรูปเป็นหลักในขั้นต้นนี้ว่านามรูปปะวัติฐานหรือนามรูปปริฆาบางทีเรียกนามรูปปริเฉทบ้างสังขารปริเฉษบ้าง คือไม่มองสัตว์บุคคลตามสมมติบัญญัติว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นไนนั่นนางนี่แต่มองตามสภาวะแยกออกไปว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมกำหนดส่วนประกอบทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่แต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าอย่างนั้นเป็นรูปอย่างนี้เป็นนามรูปคือสภาวะที่มีลักษณะอย่างนี้นามคือสภาวะที่มีลักษณะอย่างนี้ สิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้จึงจัดเป็นรูปสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้จึงจัดเป็นนามดังนี้เป็นต้นเมื่อแยกแยกออกไปแล้วก็มีแต่นามกับรูปหรือนา ม, มาธรรมกับรูปธรรมเมื่อหัดมองหรือฝึกความคิดอย่างนี้จนชำนาญในเวลาที่พบเห็นสัตว์และสิ่งต่างๆก็จะมองเห็นเป็นเพียงกองแห่งนา ม, มาธรรมและรูปธรรมเป็นเพียงสภาวะ ว่างเปล่าจากความเป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขานับว่ามีกระแสความคิดความเข้าใจที่คอยช่วยต้านทา น, ทานไม่ให้คิดอย่า ง, ลงหลงไหลหมายมั่นติดสมมติบัญญัติมากเกินไปตัวอย่างในการใช้ความคิดแนวนี้ในบาลีพึงเห็นดังนี้เพราะคุมส่วนประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกันจึงมีสัาเปอร์รถชั้นใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่ สมมุติว่าสัตว์จึงมีชั้นนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายช่องว่างอาศัยเครื่องไม้เถารัดดินฉาบและยามุงล้อมเข้ายอมถึงความนับว่าเรือนชั้นใดช่องว่างอาศัยกระดูกเอ็นเนื้อและหนังแวนล้อมแล้วยอมถึงความนับว่ารูปชั้นนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ละจนถึงการคุมเข้าการประชุมกันการประมวลเข้าด้วยการแหงอุปาทานขันห้าเหล่านี้เป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงพาเอากลุ่มฟองน้ำใหญ่มาคนตาดีมองดูเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเขามองดูเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยกคาย ก็จะปรากฏเป็นแต่สภาพว่างเปล่าไร้แก่นสารเท่านั้นแก่นสารในกลุ่มฟองน้ำจะมีได้อย่างไรฉันใดรูปก็ชันนั้นเหมือนกันไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามละถึงไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุมองดูรูปนั้นเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อเธอมองดูเพ่งพินิษพิจารณาอยู่โดยแยบคายก็ะจะปรากฏเป็นแต่สภาพว่างเปล่าไม่มีแก่นสารแก่นสารในรูปจะพึงมีได้อย่างไรต่อจากนี้ตรัส ถ, ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยในยะเดียวกันและมีคาถาสรุปว่าพระอาทิตย์ยปันซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า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 ก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า